สมมาสมบุติทนัมโมวตอารามาตุสมมาสมบุติทสวากาตุกกวัตาตัมโมสันดิโกอการิโกเฮหิปัสสโกโอปนัญญโกปัจจัตัเวิตัพวิญญูหิติ อิมัสสธรรมปริยายัสสะอัตโตสะทายาสมันเตหิสกจังธรรมโอโสตโปติบัดี้จักได้นำสวาคาตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัส แสแดงไว้ดีแล้วมาแสแดงพอเป็นแนวทางของการศึกษาและแนวทางของการปฏิบัติประจำสำหรับพวกเราทั้ ง, งหลายก่อนื่นนั่นก็เราพากกันตั้ง อ, อกตั้งใจ ปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราโดยเฉพาะคือจิตใจให้เป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางที่เราจะพึงดำเนินส่วนตา่ตางๆเราท่านทั้งหลายก็ได้ปรุงวางภารกิจแม่ ในตัวของเราที่เราจะต้องสำรวมสังวรตาหูจมูกรินกายเราก็เด้ผ่อนคลายลงวางลงไปแล้วบัดนี้ขนาดนี้ก็เหลือแต่ภารากิจเฉพาะเรื่องของจิตใจเท่านั้น การวางใดๆภายนอกนั้นมันก็พอที่จะวางได้ไม่สู้จะยากนักถึงแม้เราจะปรงุงจะวางกันโดยไม่ได้โดยไม่เด็ดขาดคือยังไม่เป็นสมุทรเฉดับภาหารก็าตามเราวางกันได้ชั่วครู่ช่วยยามมันก็ยังนับพอนดี แล้วก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทำได้ง่ายไม่ยากไม่ลำบากเหมือนอย่างเราปรองวางภรรารกิจหลายอย่างเข้าไม่ได้มาเข้ามาบรระชาผสมบทเป็นภิกษุสามนเณรขึ้นในพระพุทธศาสนา แม่จะเป็นเวลาอันสั้นเล็กน้อยเพียงหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนหรือสามเดือนไตรมาสเรียกว่าการฝนหนึ่งหรือจะมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ต่างอย่างน้อยเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เสียสละเสียสละ จากสิ่งภายนอกมานนี่จะเห็นได้ว่าเป็นของง่ายไม่ยากแม้คราวะญาติอยู่ก็เหมือนกันเราจะทิ้งบ้านทิ้งจ่องชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งยีบสี่ชั่วโมงมันจำศีลภาวนาปฏิบัติธรรม อยู่ในวัดในวาหรือเราจะมามากกว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนเป็นสามวันสามคืนหรือเจ็ดวันเจดคืนเป็นเดือนเป็นปีก็ต่างก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้เสียสละภารกิจภายนอกมาได้ด้วยกันทั้งสิ้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่า มันเป็นของที่ทำได้ง่ายไม่สู้จะยากนะักแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นี่ได้แก่การเจริญสมาธิภาวนาหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าสมถกรม ร, กรมฐานวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นชื่อและรักของการปฏิบัติาการจิตทางใจโดยเฉพาะใน พระศาสนาของเราอันนี้เป็นของสำคัญเพราะเราจะปฏิบัติอบรมจิตของเราเพื่อให้จิตใจของเรานั้นถอดถอนให้เป็นผู้ที่เสียสละเหมือนกับกายเหมือนกับวาจา กายของเราเสียสละมาแล้ววาจาของเราก็เสียสละมาแล้วแต่ใจของเรานั้นยังไม่ทราบป่าเขาจะพร้อมที่จะเสียสละหรื อ, อยังเรามานั่งร่วมชุมนุมกันอยู่ในที่นี้ถ้าเราจะมองดูหน้าที่ภารกิจของเราขณะนี้นั้นตาก็ปิดปากก็หุบ มือก็นั่งอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่เรียบร้อยไม่พลุกพร่านเปิดไว้ที่หูหูกุงเราเปิดไว้เพราะมันปิดไม่ได้มันยังหาทางปิดไม่ได้มันปิดยากเพราะฉะนั้นก็จําต้องเปิดถ้ามันปิดได้เหมือนเหมือนตาเหมือนปากก็คงจะต้องปิดเปิดไว้แต่ใจ ท่นี้หูของเรามันปิดยากมันปิดได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันปิดยากถ้าเรามีวิชาความสามารถอันลึกซึ่งละเอียดอ่อนก็สามารถที่จะปิดได้เหมือนกันทีนี้เราก็เปิดไว้การเปิดหูไว้สําหรับในที่นี้ น, นั่นเป็นเสียงที่ที่ควรฟัง เ็ะเป็นเสียงที่ดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจของเราผู้ฟังมันก็เป็นเสียงที่ดีในส่วนที่เราเห็นไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องที่ใจของเรามันเห็นผิดไปเองใจที่เห็นอะไรอะไรแล้วมันไม่ถูกใจแล้วมันก็ไม่ดนะีใจนั้นควรแก่ไม่ใช่ควรรักษามันไว้ เราจำต้องแก้เราจำต้องกำจัดทิฏฐิคือความเห็นมานักคือความถือทิฏฐิตัวนั้นให้มันรดระเบาบางมาลายไปจากจิตใจของเรานี่คือหน้าที่ของเราเมื่อเราได้มาร่วมชุมนุมกันอยู่อย่างนี้ แม้แต่ใจของเราไม่อยู่ในหน้าที่ของเราขาดสติไม่กำหนดรู้อยู่ในความเป็นปัจจุบันใจของเราล่องลอยไปตามสัญญาอารมณ์ก็ดีหรือเราหวนระลึกนึกถึงบ้านและภารากิจที่เราปรงแล้ววางแล้วภาคกาย กายของเราได้ถูกพรากจากมาแล้วแต่จิตของเรายังหวนกลับไปอยู่จิตของเรานั้นยังไม่ปรุงไม่วางยังไม่ถอดไม่ถอนมันยังวกวนหวนกลับไปไปสู่บ้านสู่ภารกิจที่เราวางลงมาจะเป็นภารกิจการทำมาค้าขาย การทำไร่ทำนาทำสวนก็ดีภารากิจที่จะต้องหาความสุขความสนุกรื่นเริงภารากิจที่จะต้องหาความสวยความงามล้วนแล้วแต่เป็นของที่ถือถูกใจทั้งนั้นที่เราละมาดทิ้งมาของที่ใจมันชอบทั้งนั้น ไม่มีสิ่งใดที่มันจะไม่ชอบถึงแม้เราจะบ่นว่ามันทุกข์หนอมันยากมันลาบากมันขัดข้องมันงุนวายก็บ่นไปอย่างนั้นแหละบ่นไปตามภาษาคนหลงบ่นไปตามภาษาคนชอบไม่ใช่บ่นแล้วไม่ชอบมันจะทุกข์มันจะยากมันจะลาบากก็ร้อนจัดเหนาจัด หิวจัดหิ่มจัดสมหวังไม่สมหวังมันก็บ่นเพ้อไปอย่างนั้นแ่ะแต่เสร็จแล้วก็เก็บยดเกินห่อพกใส่พกฝังไว้ไในดวงจิตดวงใจถ้ามันที่ไม่ชอบจริงอย่างที่เราบ่นเพ้อนั่นแหะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีในจิตใจของเราถ้ามันจะหมดไปได้สมจริงก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเข้าวัดฝังธรรม มากําจัดอารมณ์มันไม่พึงปรารถนาเรียกว่าอนิจฐารมนี่เนี่ฟังธรรมก็เพื่อจะฟังควบคุมจิตใจของเราเพื่อภาคจิตภาคใจของเราให้มันได้อย่างแท้จริงแม้มันวกวนกลับคืนสู่เบื้องหลังที่เราผ่านมา แม่มนวิ่งไปหาอดีตนั่นเองไม่ว่าอะไรทั้งหมดแม้แต่เราจะกำหนดจิตของเราด้วยการมีสติเครื่องระลึกสัมปชัญญะพร้อมที่จะรู้รู้ถึงความเคลื่อนไหวภายในจิตใ จ, ใจของเรารู้ในสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตของเราขนานี้สิ่งที่จะพึงปรากฏขึ้นในจิตเฉพาะจิตของเราขนาดนี้ก็คือสัญญาอารมณ์ ก็คงไม่พ้นไปจากที่กล่าวกันซ้ำซ้ำักซาาอดีตบ้างอนาคตบ้างเมื่อจิตมันวิ่งไปสู่อดีตได้มันก็ต้องวิ่งไปสู่อนาคตได้เมื่อเราคุมจิตของเราไม่ให้วิ่งไปสู่อดีตได้อนาคตเราก็คุมได้เช่นเดียวกันถ้าเราคุมได้อย่างหนึ่งเริ่มก็คุมได้หมดอะไรลระเป็นผู้คุมมันก็ซ้ำๆ้ำักซ่าที่และ ก็คงไม่พ้นไปจากสติแปลว่าเครื่องระลึกระลึกรู้สัพชัญญาพร้อมที่จะรู้ทุกขณะจิตนี่คือหน้าที่ของธรรมะท่านี้เราเป็นผู้ปฏิบัตินั้นยังเข้าไม่ถึงธรรมะข้อนี้ธรรมะข้อนี้ยังไม่ซึมเข้าถึงจิตถึงใจ ใจเรากับธรรมะแม้จะมีอุปรารักอุปการรักคุณแก่ธรรมทั้งหลายมากมายก็ตา่างดีอยู่ก็ตามมันก็ดีเป็นเรื่องของธรรมะมันยังไม่ดีถึงเรื่องถึงตัวของเราเพราะฉะนั้นการน้อมแม้เราจะเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะคุณธรรมมันวิเศษ หรือสิ่งที่เราควรต้องประสงค์นั้นมันจริงไม่ปรากฏมันยากที่จะปรากฏเพราะมันแยกกันอยู่กับจิตใจของเรามันยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าจะเปรียบเทียบกับสิ่งภายนอกมันก็มีเยอะแยะมากมายถึงแม้เราจะมองเห็นรู้อยู่รู้ได้โดยตาด้วยหูจมูกลิ้นกาย แม้ในที่สุดระดึกได้ด้วยใจแต่สิ่งที่เราเห็นเราได้ยินได้ฟังเราได้ริมรสสัมผัสทุกๆอย่างตลอดถึงปรากฏในจิตใจเรียกว่าธรรมารมณ์นั่นๆมันก็เพียงแต่ว่าเกิดมาเพื่อให้รู้เท่านั้นแต่มันไม่ได้ทราบซึ้งถึงจิตถึงใจใจไม่ได้ถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้ถึงจิตถึงใจ เพราะฉะนั้นผลมันจริงไม่เกิดขึ้นผลมันจริงไม่ปรากฏขึ้นแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นการฟังก็ดีการเจริญสมาธิภาวนาก็ดีไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอกเพื่อควบคุมจิตใจของเรานั้นให้มันพรากออกจากที่กายมันทิ้งมาแล้วกายมันทิ้งบ้านเราก็ภาวนาเพื่อเอาใจของเราทิ้งด้วย ในงั้นใจมันวกวนกลับไปไกายของเรามันผาาออกมาจากทรัพสมบัติทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งมากทั้งน้อยทั้งรักมากรักน้อยห่วงมากห่วงน้อยดีมากดีน้อยอะไรก็แล้วแต่เธอะกายมันจากมาได้แต่ใจนั่นเราต้องภาวนาเพื่อควบคุมจิตใจของเราแม่้มันวกวนกลับคืนไป นี่ความหมายของการภาวนาเมื่อเรามาคุมจิตใจของเราให้อยู่ในความเป็นปัจจุบันคือรู้อยู่จะพอหน้าในสมถรระกรรมฐานอุบายสงบใจก็ดีวิปัสสนากรรมฐานอุบายที่จะใจเกิดความรู้ความฉลาดซึ่งเป็นหน้าที่หรือเรื่องของบรรยาก็ดีอันนี้แหละคือเป็นตัวปัจจุบัน เรามาคุมจิตคุมใจของเราให้อยู่ในความเป็นปัจจุบันใจของเราก็ไม่วกบนย้อนกับคืนสู่หลังเมื่อใจของเราไม่ย้อนกับคื้นสู่หลังเรีวกว่าเรามาวัดจริงๆบวชก็บวชจริงๆเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นจริงๆมันก็จริงขึ้นมา เราเจอถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระที่จริงเนนที่จริงอุบาสกอุบาสิกาหรือผู้ปฏิบัติรักษาสินโุโบสถฟังธรรมจริงกันไม่ได้ตลอดชั่วโมงตลอดวันตลอดคืนหลายๆวันเจดวันเป็นเดือนหลายๆเดือนเป็นปีก็ต่างแม้ให้เราเห็นว่าเราสามารถทำความจริงประโป์ขึ้นในจิตของเราได้แม้แต่ขณะหนึ่งก็ยังนับว่าดี การมานั้นๆไม่ไรผลประโยชน์ไม่สูญเปล่าจากประโยชน์ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ว่ามันมีคุณค่ามากก็เหมือนอย่างจิตใจของเรานี่แหละถ้าเราภาคเพียนพยายามภาวนาไปภาวนาไปแม่จิตของเราจะส ง, สงบลงไปอย่างแท้จริงเป็นจตุตฌานหรือเป็นอัปปนาสมาธิจริงๆแม่ช่วงูแลบลิ้น ช่างกระพือหูงูแลบลิ้นเพียงแค่นี้ก็ยังนับว่าดีดีกว่าไม่เป็นเลยเพราะอะไรแม้แต่เพียงขณะช่างกระพือหูหูงูแลบลิ้นขอให้มันสงบลงไปเป็นนัปสนาสมาธิหรือเป็นจตุตฌาน เพียงขนาจิตหนึ่งแวบหนึ่งไม่ถึงอึดใจก็ตามทำไมจึงว่าดีก็ได้เมื่อเราเห็นเราเราได้ประสบผลอันความเป็นจริงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะเริญนสมถกรรมาฐานผลที่สุดของมันก็คืออปปนาสมาธิหรือจะตุตฌานนั่นน่ะทางสุดของความสงบ อุบายที่จะสงบจิตสงบใจถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องหาอุบายกันอยู่เรื่อยแหละค้นคิดกันอยู่เรื่อยนึกกันอยู่เรื่อยบริกรรมกันอยู่เรื่อยพิจารณากันอยู่เรื่อยพยายามตกแต่งปรับตรุงจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาทำเพื่ออะไรทำเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้น ก้าวถึงจุดที่สุดของทางของสมาธิเพราะนั้นเมื่อจิตของเราอย่างลงไปชั่วขณะหนึ่งดังที่กล่าวแล้วมันก็ยังดีดีกว่าที่ไม่เป็นเลยเพราะอะไรจิตทุกจิตถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจิตนั่นจะไม่สงสัยในเรื่องของการบําเพ็ญสมถาะ เพื่อความสงบคืออปนาสมาธิว่าอปนาสมาธิคือความสงบเป็นอย่างไรมีคุณค่าประเสริฐมหาศาลอย่างไรจิตนั่นจะรู้ได้ทันทีว่าจิตของผู้ที่ปากพิเรศอย่างกลางได้เป็นอย่างนี้นี่เอง ตาพิริยงกลางคืออะไรนิวรธรรมกา ร, รมฉันทะความพอใจในความกำหนดยินดีซึ่งมีอยู่ในจิตของเราเกลื่อนกลนอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเรียบทปรากฏทุกหล่งไม่มีที่ไหนจะไม่ปรากฏนั่นคืออะไรตาเห็นรูปมันก็เกิดหูฟังเสียงมันก็เกิด จมูกดมกิ่นมันก็เกิดลิ้นลิมรถมันก็เกิดกายสัมผัสเย็นน้อนอ่อนแข็งมันก็เกิดเจ้ากรรมชันทะตัวนี้แม้ในที่สุดมโนถวานคือใจรับรู้อารมณ์กรรมชันมันก็เกิดมีที่ใดบ้างที่มันไม่เกิดมีตามันก็เกิดกับตาตามันเป็นตากรรมชันทะโอ้เป็นกรรมชันทะ เห็นไหมมันไม่ได้ว่างเว้นไว้ให้แค่เราเลยเรามีธาตุมีขันมีอายตนะเป็นที่เกิดของการมาฉันทั้งสิ้นนี่ท่านเรียกวิกฤตอย่างกลางคือนิวรธรรมเป็นเครื่องกั้นกางกั้นจิตใจของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายแม้มีสัตตา เรื่อมใสในคุณพระนัตตะไตรเรื่อมใสในทานคือการให้การเสียสละเรื่อมใสในศีลคือการปฏิบัติสัมรวมกายวาจาร่วมเรื่อมใสในภาวนาด้แก่การมาฝึกตนของตนทั้งกายทั้งจิตทำให้มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้นได้แก่คุณงามความดีแม้ในที่สุดมาฝึกมาฝนอบรม บทของการละวางแก้ไขปดปล่อยได้แก่ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่เราไม่เคยละไม่คิดจะละไม่เคยงดไม่เคยเว้นเราก็มาพาเปลี่ยนไปอย่างเพื่อปล่อยปาราละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือความชั่วที่หยับหยาบก็เรียกว่ากรรมกิริย เป็นการกระทำโดยอาศัยกิเลสเป็นตัวเหตุหรือเป็นการกระทำอยู่บนแนวทางของกิเลสหรือเป็นการกระทำด้วยอำนาจของกิเลสท่านจึงเรียกว่าเป็นกิเลสกรรมคำว่ากิเลสกรรมสกรรมนั้นหมายถึงการกระทำด้วยอำนาจของกิเลสทำด้วยอำนาจของกิเลสมันมีลักษณะเป็นยังไงปานาติปาตายัางสัตว์ที่มีลมปานให้ตกร่วงคือตายไป นี่ที่สุดคือตายพอนกายลงมาเบียดเบียนในมันใ้รับความทุกข์รับฟังเดือดร้อนคือเรียกว่าทรมานกันเห็นสัตว์อื่นบุคคลอื่นได้รับความทุกข์ได้รับความทรมานเป็นทุกข์เพราะการทรมานจากการกระทำของเราก็ทำให้เราน้นสนุกรื่นเริงเอิมเกริม่มด้วยฤทธิอำนาจของกิเลส สำคัญตรงสำคัญตัวไปในทางที่ผิดในหลักของพระพุทธศาสนาทําให้เราถือเอาเสียสินของบุคคลผู้อื่นด้วยอํานาจแห่งความอยากหรือความต้องการโดยไม่มีขอบไม่มีเขตเหล่านีเป็นต้นนี่ก็เรียกว่ากรรมกิเลสเป็นการกระทําด้วยอํานาจของกิเลสหรือเดินบนเส้นทางของกิเลสนั่นเอง ถ้าส่วนละเอียดภายในเขาเรียกอกุศลอกุศลอกุศลอกุศลก็หมายถึงว่าความนึกคิดเกิดขึ้นจากความนึกคิดโย่โลภอยากได้ของเขาบ้างแต่นี่เมื่อมันมีความอยากความโลภเกิดขึ้นแล้วเราลองดูสิตามดูจิตของเราของล้วกันมันจะได้มาซึ่งทรัพสมบัติของบุคคลผู้อื่นในรูปของลักษณะของความทุทจริตนั้นนะ่ะ ด้วยอุบายวิธีการอย่างไรมันคิดจะรอจะรวงจะปลอกจะปิ้นจะสับตรับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างลองติดตามสิถ้ามันเกิดอารมณ์เช่นนี้ขึ้นมาก็ลองใช้สติสะกดรอยตามมันดูสิมันมีความเฉลียวฉลาดอุบายกลวิธีมากน้อยแค่ไหนกว้างแค่ไหนแคบแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนก็ลองติดตามดูก็ได้ เราไม่ต้องไปค้นคว้าสแสวงหาที่ไหนเพราะมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตของเรานั่นเองนั่นแหละคำว่าอากุศลตัวนี้กุศลกุศลนั่นเป็นเขาเรียกว่าบาปแต่โดยพระคุณและเป็นการกระทำด้วยความโง่เขลาไม่มีสติปัญญาไม่มีความฉเฉลียวฉลาดถึงจะมีอุบายฉเฉลียวฉลาดมีอุบายวิธีการต่างๆที่จะร่ำรวย เอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นให้มันสมความอยากของเจ้าของนั่นเขาไม่เรียกว่าความฉลาดเพราะความฉลาดในพระพุทธศาสนาท่านหมายาถึงว่าสามารถปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นโทษและมนทินส่วนภายนอกภายในให้มันหมดไปเบาบางไปจากกายและจิตท่านจึงจัดว่าเป็นผู้ฉลาดสามารถยกตนในพ้นจากพวงแห่งความทุกข์แห่งหายนะ ทุกนั้นมันจะเกิดขึ้นเพราะความยากความจนจะเกิดขึ้นเพราะความร้อนจัดเ ย, ย็นจัดหิวจัดกระหายจัดหิมจัดหรือทุกนั้นจะเกิดขึ้นด้วยมากด้วยอารมณ์ได้แก่ความโลภโมโทสันอย่างนี้เมื่อมีสติปัญญาก็สามารถที่จะขี่คลายบันเทาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นลงไประ ง, งับลงไปอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าปัญญากุสโลกุสโลผู้มีกุสโบาย แต่ว่าฉลาดถ้าหมายถึงทัพสัตว์ก็หมายถึงกุศลกุศลมันก็หมายถึงเกิดขึ้นจากความดีแต่ความดีในทางจิตก็หมายถึงจิตคิดดีถึงแม้ว่าจิตนั่นจะเห็นปัญญาจะสองมองเห็นซึ่งความตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเมื่อเห็นแล้วก็เป็นก็เห็นต่อไปให้เป็นเรื่องของการที่จะต้องโปรงต้องละต้องงดต้องเบน ไม่ใ้ทางที่เราจะต้องเจริญรอยตามนั่นไปท่านสอนให้ละอย่างสมุทัยสัตว์ซึ่งเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้ละไม่ได้ให้เจริญอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันปรากฏขึ้นในส่วนละเอียดปรากฏเกิดขึ้นในจิตในใจของเรามีอยู่ในจิตในใจของเราทีนี้เราจะมาควบคุมจิตใจของเรา กายของเราก็ได้รับการควบคุมดูแลเป็นอย่างดีแล้วด้วยข้อวัดปฏิบัติคือศีลอยู่ในความเป็นปกติอย่างยิ่งขณะ น, น, นี้กายของเราอยู่ในความเป็นปกติอย่างยิ่งวาจาของเราก็อยู่ในความเป็นปกติอย่างยิ่งปกติไปตามธรรมชาตินะปกติตามธรรมชาติหมายถึงว่าเราไม่ได้แสดงอริยบททั้งสนั่งสงบเสงี่ยมเจียนกายอยู่ตลอดเวลา วาจาของเราก็ปิดหูปากสนิทไม่มีภารกิจอะไรที่จะต้องสนทนาปราศัยนี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปกติตามธรรมชาติแต่ไม่ใช่เป็นปกติเพราะเป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพราะใจได้ดื่มรสของพระสัทธรรมแจ่มแจ้งในธรรมคำสอนพระิเจ้าด้วยปัญญา นี่ถ้าเรามีคุณธรรมประจําอยู่ในจิตยอย่างนี้ทุกส่วนของกายจะตั้งอยู่ในความเป็นก ป, ปกติว่าจาอยู่ในความเป็นปกติตาหูจมูกเรียกว่ยายานะภายในและภายนอกเป็นปกติหมดอย่างพาระเดจจาแม้แต่เราจะอยู่ในยาบทยืนเดินนั่งนอนประกอบกิจทำดื่มพูดคิดอะไรอยู่ก็าตามจะทรงตัวอยู่ในความเป็นปกติทั้งสิ้น อย่างนี้เป็นต้นอันนั่นจะต้องเกิดเป็นผลเกิดขึ้นจากภายในใจเพราะใจนั้นในมองเห็นซึ่งคุณธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าทั้งในส่วนที่เป็นปหานนับตบปธรรมเป็นธรรมที่ควรระควรมดควรเว้นควรปล่อยควรวางทั้งส่วนที่เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรจเจริญภาวโตบุรีกโตคือทําให้มากจเจริญให้มาก จนกว่ามันจะแก่ก่าถึงขั้นตอนถ้าเราจะฝึกสติก็จนกว่ามันจะเป็นมหาสติเป็นมหาสติมันหมายถึงว่าสติที่กว้างใหญ่ครอบจั ก, กรวาลคือสกลกายครอบจั ก, กรวาลคือวาจา่าครอบจั ก, กรวาลคือใจเราจะไปมองว่าจั ก, กรวาลคือมีแผ่นฟ้าครอบดิน ักรวังนั้นนั้นถึงจะรู้ละเอียดเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไไม่เป็นไปเพื่อจะยังความแจ่มแจ้งเพื่อชำระชำรกสงบระงับกิเลสในจิตในใจของเราลงไปได้อันนี้แหละคำว่ากิเลสอย่างกลางคือกรรมฉันทะนิวรณ์เป็นเครื่องขั้นจิตไม่้จิตของเรานันได้บรรลุถึงคุณความดี แม้แต่จะเป็นความดีที่หยับหยาบเนี่ยอย่างเราจะมาวัดเราจะมาบวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนาถึงการนั้นควรแล้วบางทีปีแล้วปีเล่าผัดแล้วผัดเล่า ผ, ผัดวันประกันพุ่งไม่พร้อมอีนั่นเพราะอะไรอะไรมันทําให้เราปริพเทศกังวลอะไรมันเป็นอุปสรรคของเรากว่าเราจะมาร่วมชุมนุมแม้แต่ เข้ามาวัดได้แล้วแม้เร huh. าจะมาร่วมชุมนุมกันตามการตามเวลาที่กำหนดนัดหมายมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะกว่าจะมาได้และอิดอิดออดออดอืดอืดเอือนเอือนอยู่อย่างนั้นแหละบางทีบิด้า้บิดขว้าเลี้ยวหน่าแลหลังอยู่ก็ค่ายว่าสิ่งที่เราจะจากมาก็ค่ายมันมีค่าอย่างมหาศาลหรือเ ภาวะภาวณเครียวเกิดปริพ o o t กังวลหรือหนักๆเข้าบางเทดียินเสียงระครังเหมือนกับได้ยินเสียงอะไรไม่ทราบสัญญาณแห่งความทุกข์สัญญาณแห่งความเดือดร้อนสัญญาณแห่งความยากเกิดขึ้นแล้วนั่นถ้าคนเรามันมีความขี้เกียจแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีผลออกมาอย่างนั่นแหละถ้าคนเรามีขยันหมั่นเพียรแล้ว เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยเพราะความโง่เขาเบาปัญญาพเพราะแรงนี้มันเป็นแรงฝึกฝนอบรมให้เกิดสติปัญญาความเฉลียวฉลาดให้เกิดความเข้มแข็งให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่ใช่ว่าฉาดและเข้มแข็งที่จะไปต่อสู้กันด้วยกำลังมัดต่อมัดเท้ า, ท า, ทาต่อเท้าศอ ก, กต่อศอกปากต่อปากแรงต่อแรงไม่ใช่อย่างนั้น อันนั้นเป็นเรื่องของการใช่ผิดใช้ธาตใช้ขันใช้อยายตนะมันผิดไปมันไม่เกิดเป็นคุณแตามันเกิดเป็นโทษเป็นสิ่งที่เราจะต้องงดเว้ น, นและแก้หลีกเลี่ยงให้พ้นไปจากตัวของเราจากถิ่นฐานของเราถ้าจะว่าแล้วอย่ามันเกิดมีขึ้นอันนี้คือกรรมฉันมันเป็นเครื่องกั้นอย่างนี้ พยาบาทะความพยาบาทอาฆาตจองเวรบางทีมันพยาบาทอาฆาตจองเวรบุคคลภายนอกบุคคลอื่นสัตว์อื่นมันก็พอทำเนาหรอใครแต่มันจะมานั่งคิดถึงศัตรูให้มันปวดรังปวดเอวอยู่ในศีลอยู่ในฐานทีนี่ อยาบาทะนี่ที่มันรร้กาศที่สุดนะได้แก่ความไม่มีตัวไม่มีตนอารมณ์ของเราเองนั่นแหละตัวปฏิฆะซึ่งมันเกิดขึ้นอารมณ์ที่เป็นอดีตนาคตในตัวของเราเนี่ยมันไม่มีรูปหน้างหน้าตาเป็นหญิงเป็นชายปฐมอมวัยมัชชิมอมวัยปัจฉิมอมวัย ไม่มีภาวะเป็นนักบวดหรือผู้ทรงศีลเป็นกราวาสติโ่มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกตัวนี้แหละสำคัญปฏิฆะตัวนี้ทำให้เกิดพยาปาทะพยาปาทะหมายถึงความอาฆาตถ้าเราสืบไปหาต้นตอมันก็มาจากโทสะได้แก่ มันเป็นผลของความประทุษร้ายเราประทุษร้ายเขาเขาประทุษร้ายเรานั่นแหละคือโทสะทุสะแต่ว่าทุษร้ายหรือชั่วมันก็ส่งผลลงมาเป็นพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทจองเวนนี่แหละอารมณ์ภายในเนี่ยมันทําให้เกิดปฏิฆะในจิตของเรา ระวังให้ดีตัวนั้นอะสำคัญเราเกิดมาในภพนี้ชาตินี้เราไปสร้างศัตรูไว้สักกี่คนจะเป็นยิ่งก็ตามเป็นชายก็ตามบางคนก็ไม่มีเลยบางคนถึงจะมีก็ไม่เห็นต้องตระัดระวังอะไรนั่งนอนอยู่ในวัดในวารจำสินพรรมนาได้สบายบวชเรียนเขียนอานได้สบายแต่ที่มันเล่นเราอยู่ทุกวันทุกวันนี่นี่นี่ ในตัวปฏิฆาพยาปาทะอารมณ์ของเราเองนั่นแหละมันก็ทบจิตใจของเราเองตาของเราหูเจ้าของเราจมูกของเรากลิ่นกายของเราลิ้นของเราลายของเรามันโนคือใจของเรามันหาเรื่องกระทบกระทั่งความเป็นปกติจิตของเรา ให้จิตของเราตั้งอยู่ในความเป็นปกติไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียววลองพิจารณาดูให้ดีนักภาวนาจะใหม่ก็ตามจะเก่าก็ตามที่จะรู้ได้ไม่จาเป็นจะต้องว่าเก่าหรือใหม่เพราะเราก็มีจิตมีใจมีอารมณ์กระทบใจอยู่และเราก็มีเครื่องที่พร้อมจะรู้ได้ในขณะเมื่อเราหันเหเป้าหมายที่เราจะ มองลงไปว่าอารมณ์มันเกิดจากตาหูจมูกเล่นกายของเราได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสตกลงไปเป็นอดีตนาคตเป็นเครื่องกระทบจิตใจของเราจริงหรือไม่กระทบกระทั่งจิตใจของเรานั่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทมศรัทธาที่มีอยู่ในขณะนี้ศรัทธาในการฟังถอยลงไปศรัทธาในการเจริญสมาธิภาวนา ในลดย่อนผ่อนคลายลงไปกลายเป็นจิตใจที่รุ่มร้อนด้วยนิวรธรรมอันนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปนาสมาธิหรือจตุตฌานนั่นเป็นผลนั้นเกิดขึ้นจากการละ ง, งับนิวรธรรมซึ่งเป็นตัวประสักกลางกั้นอันนี้ดับสนิทลงไปจากจิตใจไม่มีอยู่ในจิตในใจ เพราะนั่นจึงจัดว่าจิตของเราเป็นมหากุศลจิตที่ปราบนิวรธรรมลงไปได้จิตนั้นจะคิดแผ่เมตตาก็มีมีพลังมากจะเจริญความกรุณามุทิตาต่อสัตว์โลกนันก็มีพลังมากมีอานิสงส์มากจะทําอะไรอะไรมันก็มากเพราะมันเป็นมหากุศล หรือว่าเป็นปรมัตาจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นการบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนี่เมื่อจิตของเราเนี่ยยังลงไปสู่ความสงบดังกล่าวมานี่ mm hmm. เพียงแค่ช้างกระปือหูงูแลบลินโบราณท่านว่ายอย่างนั้นมันก็มีานิสง์มากมีค่ามากมากอย่างไรมันทําให้เราผู้ปฏิบัติ ในพระศาสนานี้หมดความสงสัยไม่มีความสงสัยเคือบแคงในเรื่องของคำว่าสมถาะาและวิปัสสนาหรือว่าสมาธิเราจะรู้ได้ทันทีตลอดถึงผลนั้นเกิดขึ้นแม้แต่ขนาจิตเดียวทุกอย่างมันจะรู้ชัดความสงบมันก็รู้ชัดเป็นอย่างไง ผลที่มันมีความสงบเกิดขึ้นในจิตของเราขณะนั้นมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงความเยือกเย็นมันเป็นยังไงความสบายมันเป็นยังไงมันจะรู้ชัดได้แจ่มแจ้งไม่ต้องถามใครและสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ด้วยเปรียบเทียบกับสมบัติในโลกทั้งหมดมีสมบัติอะไรบ้างที่มันจะทำให้เราเกิดมีความสุขความสบายอย่างจิตของเราเป็นสมาธิ แม้แต่ขนาหนึง่งนี่มันชัดเจนอย่างนี้เมื่อมันชัดเจนอย่างนี้มันก็ส่งผลส่งผลที่เราสงสัยในพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พ้นทุกข์ได้จริงหรือนี่พระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ได้จริงหรือถ้าเราปฏิบัติตามมรรคคาสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราพ้นจากนรก ไปสู่สวรรค์เข้าสู่นิพพานในจริงหรือพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำแต่ทำแล้วมันโทษทุกข์ได้รับความเดือดร้อนจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นความดีเมื่อจเจริญนาที่จะได้ประสบผลดีอันนี้จริงหรือเปล่าตราบใดเราเป็นปุถุชนอยู่ความสงสัยเ ค, ครือบแคลงมันวิจิตรชา้ามันก็มีอยู่ตราบนั้นแหละแต่ว่ามันจะแก้ความสงสัยอันนี้ลงไปออกไปจากจิตของเราได้ ต่อเมื่อเราได้ประสบผลนั่นเกิดขึ้นจากการภาวนาภาวนาจิตเมื่อเราภาวนาแล้วจิตของเรานั้นอย่างลงสู่ความสงบถึงขั้นของการเป็นอปนาสมาธิหรือเป็นฌานแม้แต่ขนาดจิตหนึ่งแวบบหนึ่งเท่านั้นก็จะให้ความตอบสามารถกำจัดความสงสัยออกจากจิตของเราได้ มีความสงสัยอยู่ในการไดมาก็ตามนรกมีจริงไม่สวรค์มีจริงไม่บาปมีจริงไม่บุญมีจริงไม่มรรคผลนิพพานมีจริงไหมบางทีผู้รู้เรียนจบถึงเก้าประโยคเขาก็บอกว่านิพพานไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าบางคนก็กล่าวอย่างนี้เราก็เคยได้ยินมาก็ชวนให้เกิดความสงสัยจริงไม่จริงจริงไม่จริง อย่างนี้เมื่อจิตของเราได้เห็นผลจากการปฏิบัติความสงสัยทั้งหลายเหล่านั้นจะหมดไปเราจะมีความมั่นใจถึงแม้ว่าเราจะในวันต่อไปเราจะทำไม่ได้อย่างนั้นไม่สงบเลยก็ตามให้ความแจมแจ้งที่มันเกิดขึ้นเพราะจิตของเรามีความสงบเพียงขนาดหนึ่งนั้นมันไม่ได้เสื่อมสลายไปไหนมัน เรียกว่าติดตาตึงใจของเราอยู่อย่างนั้นมั่นคงแน่แนวอยู่อย่างนั้นไม่เสื่อมคลายถึงปัจจุบันมันจะเป็นก็ตามไม่เป็นก็ตามนี่แหละเขาเรียกว่าคนเห็นที่ถูกต้องเป็นคนที่มีความตั้งมัน่นเป็นความเห็นที่ตั้งมั่นและแน่แนวเพราะนั้นไม่ว่าเราจะเห็นอะไรก็ตามเราจะรู้อะไรก็ตาม ถ้าเรารู้เห็นจากการบอกสอนที่นะีจากการจดการจำการอ่านการคิดแม้ในที่สุดเราจะค้นคิดในจิตของเราเนี่ยในจิตใจของเรเด๋ยวจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการค้นคิดการปินิดพิจารณาจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจดจำได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่มี อุปนิสัยเรียกว่าเป็นคนมีนิรุตติปฏิสัมพิทาหรือวัติพาณปฏิสัมพิทาก็าตามสามารถาคิดแยกแยะขอ้ออัดข้อทำคําสอนของพระพุทธเจ้าตามสมมุติบัญญัตินี้แหละได้อย่างพิสดารสามารถที่จะรอยกองหรือพูดได้อย่างไพเราะสนอโสดก็าตามมันก็ยังไม่สามารถที่จะให้เรามีความตั้งมั่น เชื่อศรัทธาความเชื่อแน่แน่วและก็ตั้งมั่นอย่างที่กล่าวมาได้มันก็ยังเต็มไปด้วยความวิจิกิจชาคือความสงสัยหลังเรศตราบใดจิตมันยังไม่แจ้งไม่ชัดอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิเปาภาวนาหรืออันเป็นผลเกิดขึ้น ความสว่างซึ่งเกิดขึ้นจากปัญญาและก็จะต้องเป็นปัญญาซึ่งสืบเนื่องมาจากมีความสงบอันเป็นผลของสมาธิเป็นพื้นฐานเท่านั้นแหละจึงจะสามารถกําจัดความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนั้นให้หมดไปจากจิตใจของเราได้จึงสามารถทําให้จิตใจคือ ศรัทธาความตั้งมั่นความเชื่อมั่นคงแน่แน่วว่ามรรคผลนิพพานบาปมีจริงบุญมีจริงสุขทุกมีจริงผลของความดีตั้งแต่ขั้นต่าขั้นกลางและสูงสุดถ้าเราจะเรียกตามสมมุติเหี่ยวมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติย่อมเป็นของมีจริงถ้าหากว่าพุทธบริษัท ผู้ใดก็ตามสามารถทําสร้างเหตุให้ปรากฏเกิดขึ้นในส่วนกายและส่วนจิตของตนได้ก็สามารถที่จะเห็นผลซึ่งจะเป็นมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันกับการที่เราได้ประกอบเหตุรให้เกิดขึ้นมาอันนี้เลย ให้เราพากันไปนิทพิจนาจการอบรมฝึกฝนอบรมจิตใจเรียกว่าเจริญสมาธิภาวนากันแล้วแล้วเราเราก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรต้องการที่จะควบคุมจิตใจของเราน่นแต่ละท่านแต่ละคนหรือเฉพาะตนให้เป็นจิตใจที่ปล่อยปลดระวาง ให้มันจริงตามที่ไกลและวาจาของเราวางได้แล้วจากมาแล้วทิ้งมาแล้วจะคั่วคู่ชั่วครู่ชั่วยามก็ตามใจของเรานั่นกับพร้อมที่จะจากมาได้จริงไม่มีความกังวลไม่มีความอะไรข้างหลังที่เราทิ้งมาอันนี้แหละท่านยังเปรียบเหมือนกับไม้ทั้งที่มันแห้งแล้วก็อยู่บนบก ไม่สดด้วยยางและก็ไม่เปียกชุ่มอยู่ด้วยน้ำมันก็พอที่จะนำไปสีเอาไปสีกันให้มันเกิดไฟขึ้นมาได้ถ้าเมื่อเราต้องการไฟเมื่อเราท่านทั้งหลายได้มาควบคุมจิตใจของเราให้เป็นไปตามที่กายวาจาระเว้นมาได้แล้วอย่างนี้ เราก็จะได้ติดตามควบคุมให้ลึกซึ้งละเอียดร่อนลงไปอันนั้นเราคุมจิตคุมใจของเราไม่ให้วกวนอันนั้นเราคุมจิตคุมใจของเราไม่ให้วกวนกลับไปสู่ข้างหลังนั่นก็หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เรารัก ภาคกายออกมาแล้วเราก็ควรที่จะต้องควบคุมภาคจิตภาคใจของเราให้มันได้แต่เราภาคจิตภาคใจของเราได้ตามบูบายของเราครั้งใดถือว่าเราเป็นผู้ชนะแล้วเราก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะสื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั่น ต้องเกิดผันผวนวอกวนเหมือนกับพายเรืออยู่ในอากย่อมส่งผลให้เกิดเป็นความทุกข์อันนั้นได้แก่ตาหูจมูกดินกายของเราเราจึงต้องมีความสํารวมสังวรตาหูจมูกดินกายความสํารวมนี้ย่อมเป็นสารสัญลักษณ์เป็นนิมิตหมายของผู้ปฏิบัติของสมณะ เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่เพราะว่าตาก็ดีเป็นต้นย่อมเป็นที่มาที่เกิดของรูปของเสียงกินรสสัมผัสและรูปเสียงกินรสสัมผัสย่อมเป็นที่นาถ้าเปรียบเหมือนพื้นปฐพีก็เหมือนกับแผ่นดินที่นาที่สวนมันจะต้องปลูกและหว่านพืชลงไปตามความประสงค์ เราทุกคนอาศัยกิเลสเป็นแดนเกิดเมื่อเกิดมีลมหายใจและลมหายใจก็อยู่กับกิเลสนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่ไอความไม่อาศัยกิเลสเกิดนะั่นมันไม่ค่อยจะมีเมื่อมีลมหายใจโดยไม่อาศัยกิเลสมันก็ยากเพราะนั่นเกิดก็เกิดด้วยกิเลสหายใจเข้าทีออกทีหนึ่งมีชีวิตอยู่ขณะจิตหนึ่งมันก็อยู่ด้วยกิเลส มันไม่ใช่ปาสจากิเลตเพราะฉะนั้นพื้นนาพื้นสวนได้แก่ตาก็ดีหูจมูกรินกายมโนคือใจของเราก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแนในที่สุดคือท ร, รมารมณ์ก็ดีนั่นแหละมันเหมือนเหมือนกับพื้นแผ่นดินซึ่งเป็นที่นาที่สวนมันก็เลยเป็นที่เกิดพืชของกิเลสมากกว่า เป็นที่เกิดที่ตั้งที่ปรากฏการของกิเลสมากกว่าที่จะว่างจากกิเลสนี่ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเพราะตาหูจมูลิ่นกายใจของเรามันเกิดจากกิเลสกิเลสเป็นผู้สร้างสรรค์ให้ส่วนบุญนั้นยกไว้มันเป็นผลของกิเลสแค่มีลมให้ใจอยู่มันก็อยู่ด้วย กิเลสเพราะฉะนั้นตาหูจมูกริ้นกายรูปเสียงกีรตจึงเป็นเหมือนผืนแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับกิเลสทั้งสิทธิ์เพราะเหตุนี้เราจึงต้องสํารวมเราจึงต้องระมัดระวังทำไมเช่นนั้นมันจะเป็นสื่อเป็นจนวนหรือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดกิเลสภายในลุกกระพูขึ้นมาเผาลนจิตใจตลอดรวมทั้งกายนั้นด้วย อยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องจำเป็นที่จะต้องรักษาสํารวมในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ฝักใฝ่ต่อความสงบให้มันสมจริงกับความเป็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบหรือชาวบ้านญาติโยมไม่ใช่ผู้เป็นสมณะก็ตามวัดมันเป็นแดนของความสงบไม่เหมือนกับกับบ้านเมื่อเข้ามาแล้ว เราก็ต้องมีศีลมีธรรมทำไมมีศีลมีธรรมเพื่อกำจัดความไม่สงบให้เป็นผู้สงบขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสํารวมเมื่อตาเห็นรูปทำอย่างไรรูปมันจึงไม่เป็นที่เกิดที่ตั้งของราคะโทสะโมหะเมื่อรูปไม่เป็นที่ตั้งของที่เกิดของราคะโทสะโมหะ โลภโกรดหลงตาของเราก็ไม่เป็นที่ตั้งที่เกิดของโลภโกรหลงราคาโทสะโมหะเช่นเดียวกันที น, นี้ที่มันไม่เกิดนั่นมันจะต้องเป็นผลเป็นความสามารถของพวกเราเองเพราะถ้าตามมชาติของมันแล้วมันเกิดมันเป็นอยู่บ่อยๆจิงยูกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลณนะกุศลเป็นอพยกิจ ถ้าเรามองดูการกระทำหรือดูในจิตของเราเนี่ยมันก็มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วและกรรมที่เป็นกลางกลางไม่ว่าเป็นการกระทำเป็นการพูดแม้ในที่สุดเป็นความคิดก็เหมือนกันคิดบางอย่างมันเป็นอกุศลคิดบางอย่างมันเป็นบุญกุศลคิดบางอย่างไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลและก็ไม่เป็นอกุศลคำพูดก็เหมือนกัน การกระทาทางกายก็เหมือนกันทีนี้ถ้าจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเราก็ทํากิจกับตัวของเราเพื่อถ่ายหนักถ่ายเบาแม้แต่เราจะเดินไปเข้าสวมอย่างเนี้ยมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเราเดินไปถ่ายหนักถ่ายเบามันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปใช่ไหมนี่เลย นถ้าหากเราเดินไปคิดว่าจะไปรักทรัพย์เขาจะไปฉก ช, ชิงวิ่งราวเขาจะไปทำรายชีวิตของเขาจะไปเบียดเบียนเขาการเดินนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเราเดินมาวัดมาบาจะฟังเทศฟังธรรมจำสินภาวนาการเดินนั่นเป็นบุญหรือเป็นบาป น, นี่แหะอันนี้ชั้นใดวาจากเหมือนกันมโนคือความคิดในใจ มโนกรรมก็เหมือนกันมันก็มีทั้งบุญทั้งบาปแต่นี่สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมเกิดขึ้นในจิตใ จ, ใจของเราที่มันจะเป็นกลางกลางไม่ให้จิตของเราเป็นกิเลสรักชังนั้นนะ่ะมันมีน้อยนิดเดียวแต่โดยมากใจของเราจะหวั่นไหวกับรูปเสียงกลิ่นรสอันนั้น คือไม่รักก็ชังลลยแหละนี่เก่าวสั้นๆมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นประจำมันมีความชํานาญเป็นเป็นตัวธรรมชาติแต่นี่เราไม่ต้องการที่ยัยตาของเราแม่รูปที่เราได้เห็นด้วยตาของเรานั้นเป็นที่ยึดครองเป็นที่เกิดเป็นที่ปลูกฝังกิเลสมันก็จําเป็นสิเป็นหน้าที่ของเรา เราจะพึงต้องรักษาสงวนเข้าไว้ทตนี้เราจะสงวนรักษาศาสนาท่านบอกให้สํารวมจกักขุสังวโรสํารวมตาสํารวมหูเป็นต้นทตนี้สํารวมตาตามันมีหน้าที่ต้องดูในศาสนานี้ท่านบอกว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปดูอย่าไปเห็นถ้าจําเป็นที่จะต้องดู ว่ให้ดูด้วยการมีสติให้เห็นด้วยการมีสติคือสติระลึกลู่อยู่รู้เราลู่เขานี่อย่างเราเป็นผู้ปฏิบัติสติระลึกระลึกรู้อะไรเราระลึกลู่พุโทโธรละลึกรู้ลมทีนี้ถ้าเราระลึกลู่ลมเข้าระลึกลู่ลมออกลมมันเป็นที่ตั้งเหมาะแก่การที่จะทําให้ราคะ เห็นดีเห็นดีเห็นดีเห็นชอบเป็นที่เกิดของราคาไหมคำว่าลมเข้าลมออกนะมันก็ไม่สุดจะเป็นที่เกิดแต่ถ้าว่าไอช่องที่มันเข้าออกลายจมูกโครงสร้างของจมูกรูปร่างลักษณะของจมูกจะเป็นของหญิงก็ดีของชายก็ดีนัน่นะถ้าตัวนี้มันเป็นที่เกิดของกิเลสใช่ไหม ถ้ามองช่องลมแล้วมันโอ้สวยนะจมูกด่งดีนะอะไรทํานองนีนะ้ของผู้ชายก็ดีก็เป็นที่เกิดของผู้หญิงของผู้หญิงก็เป็นที่เกิดของผู้ชายแต่ไอลมที่มันเข้ามันออกมันไม่เป็นที่เกิดหลอกของกิเลสกิเลสมันไม่เห็นลมหรอกที่มันจะไปยินดียินไล่กับลมมันไม่มีหรือมันเป็นอย่างนั้นให้เราพิจารณาเมื่อเรามีสติควบคุม คำว่าสัมรวมนั้นสัมรวมบางอย่างนั้นก็คือสิทธิขาดมันก็อยู่ที่จิตใจอยู่ที่จิตใจของเราเมื่อจิตของเรามันดีมีสติควบคุมมีปัญญาควบคุมเรียกว่าจิตของเราดีเมื่อจิตของเราดีเพราะไม่มีจิตนั้นไม่ตกอยู่ในภายใต้อำนาจ แห่งคารการครอบครองหรือควบคุมบีบขั้นของราคาโทสโมหะหรือโลภโกรดหลงจิตก็เป็นใหญ่ในสรีล่าร่างกายเป็นใหญ่ในตาหูจมูกริ้นกายเพราะนั้นตัวรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสออกมาปรากฏอยู่ที่ตาก็เป็นตาดีออกมาปรากฏรับรู้ที่หู ร่วมกับวิญญาณตาหูจมูกร่างกายมันก็ดีไปหมดปรากฏว่าตาหูจมูกร่างกายดีเมื่อตาหูจมูกร่างกายดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเกิดขึ้นมันก็ดีไม่เป็นพิษไม่เป็นภยัยเพราะฉะนั้นมันเป็นอยู่ตรงที่ใจของเราถ้าใจของเรามันถูกกิเีดเข้าควบครอบงําแล้วจะเป็นโรคเป็นโกรธเป็นหลงก็ดีราคะโทสะโมหก็ดี กายของเรามันก็เป็นเป็นก้อนของกิเลสด้วยตามันก็เป็นตาราคาโทสามโมหะรูปที่เกิดขึ้นมันก็เป็นรูปเพื่อราคาโทสามโมหะเป็นรูปกิเลสทั้งนั้นเพราะใจเราเป็นกิเลสตาก็เป็นกิเลสรูปที่เนื่องกับตาก็เป็นกิเลสเมื่อมันจะสาวโยงไปถึงอะไรมันจะเป็นขีดเราะขี่ตอนก็ตามมันจะยาวไปกี่เส้นกี่วาก็ตาม นั่นคือความกว้างขวางของจิตนี่นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรเราจึงจะสํารวมรายสํารวมจิตของเราไม่ตกเป็นทาตของจิสให้เราเป็นผู้มีสติเป็นเครื่องระลึกสัมปชัญญะพร้อมที่จะรู้การเคลื่อนไหวในจิตในตัวของเราในกายของเราในจิตของเรา นี่ถ้าหากว่าเมื่อเราควบคุมจิตใจของเราด้วยการบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตรู้ลมเข้าลมเข้าก็รู้รู้ลมออกลมออกก็รู้นี่แหละเราเอานิมิตเอารลมเป็นนิมิตเครื่องอยู่เป็นงานของสติเมื่อไอตัวละลึกรู้ลมกับลมมันเคลื่อนคลาดขาดกันออกไปลงไปเมื่อไหร่สัพพัญญาก็พร้อมที่จะรู้อยู่ พร้อมอยู่พร้อมที่จะรู้อยู่เสมอเมื่อมันขาดแล้วเราพยายามประติดประตอร่อตั้งขึ้นมาใหม่เหมือนเราหัดเดินล้มแล้วลุกพยายามลุกขึ้นมาแล้วเดินมันต่อไปล้มแล้วลุกเดินมันต่อไปอยู่อย่างเงี้ยในที่สุดแม้แต่จะเป็นเด็กหัดเดินมันก็แข็งถึงเราจะเดินอยู่บนทางลื่นมันก็ชํานาญฉลาดในการเดินมันก็จะไม่ล้มอีกต่อไป ฉันใดจิตของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้อบรมใหม่อบรมเก่ามาใหม่มาเก่ามันมีสภาพเหมือนกันนั่นแหละแต้ความร่มรุกคลุกค ล, กลกานนีนะ่มันมีอยู่มันไม่มีหรอกกำหนดลงไปแล้วจิตจะยังลงไปสู่ความสงบย่างง่ายได้แม้แต่หนึ่งนาทีสองนาทีหนาทีสิบนาทีมันก็หายยากบางทีทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน มันไม่ยอมสงบเพราะเฉยๆอย่างนั้นมันก็มีนี่มันร้อนเป็นไฟจะยิ่งเร่งความเพียนมันยิ่งทุกข์ยิ่งร้อนนั่งก็ร้อนเมื่อเพลินเผาเดินจงกรมมันก็ร้อนจะยืนภาวนานอนอยุ่มก็ร้อนเพราะว่าในจิตของเรามันร้อนมันไม่ยอมรับข้อปฏิบัติสศธรรมของพระพุทธเจ้าทตนี้เมื่อมันสํารวมไม่อยู่ เราก็ต้องใช้อุบายคือสติปัญญาปัญญานั่นหมายถึงว่าความรู้ในสัจจะคือของจริงเราต้องเอาของจริงเข้าไปจับของจริงที่ตาหูจมูกลินกายแม่ตะก้อนหัไทยก้อนเนื้อในหัวใจของเรานะ่ยมันคืออะไรก็ลองใช้ปัญญาวิจัยเจาะลึกลงไปดูซิว่ามันเป็นดินเป็นนา้าเป็นไฟเป็นลมตามสัญญาธรรมที่ท่านชี้แน่ว้ มันเกิดขึ้นจากของปฏิกูลโสโครกเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรไปทากลางแดกตับสระดับสลายไปในที่สุดมันก็มีแค่นี้สิ่งที่จะอาศัยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้สัจจะคือของจริงเราก็ใช้ปัญญาปินิ์พิจารณาไปเมื่อสิ่งเหนานี้ตาของเราเป็นอย่างนี้รูปที่เราเห็นด้วยตาละ่ะมันวิเศษวิสโสมาจากไหนละ่ะที่มันจะไม่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของปฏิกูลโสโครก มันจะเป็นของเที่ยงเป็นทุก์แน่นอนมันคงสมความปรารถนาไม่ใช่เป็นนิจจังทุกขงกังอนัตตาเหมือนอย่างอัตาของเราตัวของเรามันเป็นไปได้อย่างไรมันก็มีสภาพเหมือนกันเมื่อเราเอาแสงสว่างคือปัญญาไปจับตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้มันก็ไม่เป็นที่ตั้งที่เกิดของกิเลสของราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรดหลงหรือความอยากไม่มีที่สิ้นสุด จิตของเราก็จะสํมรวมอยู่สงบอยู่เพราะความไม่มีกิเลสด้วยอุบายของปัญญาเพราะนั้นการทำความสงบกวดีอุบายแห่งความสมถะคือความสงบมันก็จำเป็นสำหรับพวกเราอุบายของปัญญาให้เกิดปัญญาคือความรู้จริงรู้เท่าทันเมื่อเราปัญญาไปจับของจริงแล้วเพราะของจริงนั้นมันถ้าเราเห็นเป็นของปฏิกูลโสโครกอยู่ความรักความใคร่มันจะเกิดไหมล่ะในที่นั้น ความรักความไข่มันเกิดบ้างไหมล่ะในซ่วมที่มีมีนอนอยู่ในซ่วมในฐานมันเคยมีความรักความพิศวาสบ้างไหมมันไม่มีนั่นแหละมันจริงอย่างนั้นแต่นี้ถ้าหากว่าเราอะไรไปหุ้มนะอะไรไปปิดประคอบแล้วกแต่งให้มันสวยเป็นอาคารมันสวยระบายสีมันดีนะมันไม่รู้ว่าข้างในนะเป็นซ่วม เหมันก็จะเป็นที่เกิดของอะไรที่เกิดของราคราความกำหนัดความยินดีวสวยดีน้าอยากได้น่าใครอยากมีอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นดูที่นะ่ะเห็นไหมเราเทิดทูนเกียรติของครูบาอาจารย์โนดหีบทองประดับด้วยมุกราคาหลายหมื่นหลายแสนลองดิ้ไรตาทิพย์กำหนดดูที่ข้างในนะ่ะมีอะไร ท่านพอลีเนะี่ยเหมือนพวกเรานั่งอยู่นี่ไหมผิวดำผิวขาวเป็่งปลังมีรัศมีสีสันท่านเป็นอย่างเราไหมนะถ้าใครตาไม่ทิพย์มองไม่เห็นกันโอปัญญิโกสัญญาปัญญาน้อมนึกพิจรารณามาท่านทิ้งขันไปแล้ว30สิปีจ ะ, จะมีอะไรเหลืออยู่ จะมีอะไรเหลืออยู่บ้างอะไรมันหมดไปบ้างเรามองเห็นอย่างนั้นแล้วน่ะมันเป็นที่เกิดที่ตั้งของราคาโทสามโมหะรืปลนี่แหละถ้าเราใช้ปัญญามองเพ่งกันด้วยความจริงแล้วมันก็สามารถจะเป็นเครื่องรถร้าวละถอดถอยถอดถอยสิ่งกิลเลสถึงมันจะไม่เป็นสมุดเฉดต่อปะหานก็ตามมันก็พอที่จะทำให้จิตเราว่างลงไปขนาดหนึ่งก็ยังดี คือทำความสมจริงให้เกิดมีขึ้นกับความเป็นภาพเป็นเนนเป็นญาติเป็นโยมที่มาร่วมชุมนุมสุดผนอบรมสติปัญญาให้เกิดมีขึ้นความสงบไปเกิดมีขึ้นความบริสุทธิ์ให้เกิดมีขึ้ น, เ, นเพื่อเกิดความสมจริงทั้งกายทั้งจิตที่เราได้พาดถอนมาจากเครื่องกังวลซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแต่ทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นการที่ด เราทรมะเพื่อเป็นแนวทางของการศึกษาอบรมแก่พวกเราท่านทั้งหลายในวันนี้ก็เห็นว่าพอควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประกราชณ์ในโอกาสบตรนี้จะได้นำธรรมีคาถาปณณาศาสนาธรรมคำสอน ของพระบรมศม า, าสดาสมมาสมุทธยเจา้ามาสแสดงพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จความประสงค์ ยำงหมายที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมประชุมกันอยู่ในสถานที่นี้เราท่านทั้งหลายต่างคนมีเจตนาเป็นนันหนึ่งอันเดียวกันกล่าวคือ ทุกท่านต่างก็มีความตั้งใจในอันที่จะรักษาข้อวัดปฏิบัติซึ่งได้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกคนจะพึงดำเนิน กล่าวคือปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในกิจกรรมและหน้าที่นันนั น, นและอีกประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายก็คงจะได้พิจรารณารู้เห็นตามข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวแล้ว ว่าจักนำประโยชน์โสดที่ผลซึ่งเป็นไปในทางดีและเป็นเหตุให้เราได้ห่างไกลพ้นไปจากทางแห่งความชั่วไปโดยลำดับของบุคคลและท่าน ที่เอาใจฝักใฝ่ในหน้าที่และปฏิบัติให้ตินไปตามกฎระเบียบแข่งข้อบังคับที่พวกเราท่านทั้งหลายได้น้อมรับเอาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจดังนั้น ในโอกาสนี้ใกล้ที่จะฉลองศรัทธาความเชื่อระสาทความเรื่มใสในการประพฤติปฏิบัติอบรมของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยทมบางสิ่งบางประการซึ่งมีอยู่ใน บรรดาคำสอนของพระพุทธเจ้าตามนัยยะที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงหรือบรรยายในวันนี้ซึ่งเป็นภาษาบาลีว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง อุปาทวายธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิยุชันติขัานเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคเมื่อเข้าไปสงบระงับสังขาร ทั้งหลายเหล่านั้นเสียได้ย่อมเป็นสุขดังนี้ในหัวข้อธรรมที่ได้ยกขึ้นมาเพียงโดยย่อนี้ได้ชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้รู้เห็นเป็นไปถึงเรื่องของสังขาร ความเป็นไปได้แก่ความไม่เที่ยงก็ดีคือความเปลี่ยนแปลงไปในรูปลักษณะต่างๆกันกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงยักย้ายแสดงถึงความไม่เที่ยงของสังขารนั้นจะเป็นไปโดยรูปลักษณะ ต่างกันก่าวคือเป็นไปในลักษณะแห่งความไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจนี่อย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งเปลี่ยนแปลงไปในรูปลักษณะที่น่ายินดีและที่น่าพอใจนี่อย่างหนึง่ง นี่เป็นลักษณะของสังขารความเปลี่ยนแปลงของสังขารและในที่สุดความเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการนั้นก็จะรวมตัวลงไปสู่หยุดเดียวกันนั่นก็หมายถึงว่าเกิดขึ้นเท่าไหร่ย่อมไร ลงไปสู่แห่งความดำจนหมดสิ้นเท่านั้นนี่คือความเป็นอยู่เป็นเรื่องของสังขารดังนั้นในาศาสนาของท่านผู้รู้ท่านจึงแสดงไว้ว่าการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุข ทังนี้สังขารในที่นี้ถ้าเมื่อเราจะกล่าวโดยย่อเข้าใจกันอย่างง่ายๆข้ามหมายถึงมรรภาพร่างกายของเราท่านทั้งหลายนี้เองได้แก่รูปซึ่งเรียกว่ารูปกายซึ่งเรียกว่าตัวตน จะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามนี่แหละเป็นที่ตั้งนี่แหละได้ชื่อว่าสังขารถ้าเราจะมองไกลออกไปถึงเพื่อนร่วมร่วมโรคเกิดแก่เจ็บตายก็ได้แก่สัตว์ทิรรชานทุกชนิดที่มีชีวิตได้แก่ตัวรู้ ครอบครองในร่างสังขารนั้ น, น, นเราเรียกรวมลงมาว่าสัจจะชานซึ่งต่างจากสังขารคือเราทันทั้งหลายที่ดสมมติว่าเป็นมนุษย์สังขารเหล่านี้ท่านเรียกว่าอุ ป, ปาทินากะสังขารสังขารที่มีวิญญาณคือตัวรู้ครอบครอง หรือสิงสถิตยอยู่ในอัตภาพคือเรือนร่างนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เรือยฉานนี่รวมลงมาก่าวเป็นสังขารอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสังขารที่ปราศ จ, จากความรู้เข้าสิงสถิตยอยู่หรือครอบครองได้แก่ต้นไม้ภูเขา ตลอดถึงทัพปสัมภาระที่มนุษย์เราได้ก่อร่างสร้างขึ้นมาจากสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นวิหารหลังนี้เป็นที่อาศัยสำหรับพวกเราทันทั้งหลายได้ประกอบคุณงามความดีเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายดังที่ทราบอยู่แล้ววิหารหลังนี้เป็นต้นนั้นจึงชี้ให้เราได้เห็นว่าเป็นสังขารที่ปราศจากตัวรู้ซึ่งต่างจากพวกเราท่านทั้งหลายออกไปก็ได้ชื่อว่าเป็นสังขารเช่นเดียวกันกับพวกเราซึ่งมีตัวรู้นั่นเอง จะต่างกันอยู่เพียงแต่ว่าปราศจากความรู้กับการที่มีความรู้ครอบครองอยู่ขึ้นชื่อว่าบรรดาสังขารทั้งหลายแล้วเมื่อมีความเกิดขึ้นในเรื่องต้นจะย่อมจะแสดงถึงความไม่เที่ยงได้แก่การแปรไปในท่ามกลางในระหว่างการเกิดและจะถึงจุดจบคือความตาย อันนี้หมายถึงคนและสัตว์ถ้าสังขารที่ปราศจากวิญญาณในวินาทีแรกของการเกิดเช่นอย่างวิหารหลังนี้จนกว่าจะถึงจุดจบแห่งการพังทลายหรือว่ามลายลงไปรากเรียบลงไปสู่มันเป็นหน้ากองสู่พื้นปฐพีคือแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้น ในระหว่างองการจะถึงความแตกแตกดาหรือทำลายไม่มีส่วนใดเหลือไม่สามารถที่จะทรงอยู่ในรูปทรงสันฐานเดิมได้เขาก็จะต้องประสบกับความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงยักย้ายถ่ายเทอยู่ตลอดินลา ถ้าเราจะหมายถึงมองถึงในเรื่องของความรู้ท่านก็กล่าวว่าความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นทุกขนาดจิตหรือว่าทุกลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละที่กล่าวโดยย่อนี้ได้ชื่อว่าคำว่าสังขาร สังขารเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลคนใดก็ตามเมื่อมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงแสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาความไม่เที่ยงที่มีอยู่ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นก็หมายถึงว่า จะเป็นสังขารที่ปราศจากความรู้หรือมีความรู้ครอบครองอยู่ก็าตามเมื่อปรากฏการขึ้นมาในโลกแล้วเขาก็จะต้องแสดงถึงความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาการแปรเปลี่ยนยักย้ายนั้นจะปรากฏแจ้งชัดในเครื่องรู้ในเครื่องพิสูนของพวกเราจะด้วยโดยภายนอกคือตา ด้วยภายในคือใจโดยแจ้งชัดหรือไม่ก็ตามทีสังขารเหล่านี้ก็จะแสดงถึงความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเรื่องพิสูจน์ภายนอกได้แก่ตาของเราได้แก่หูของเราต้นต้นนี้ตาของเราสามารถที่จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขาร ทั้งตัวของเราเองทั้งบุคคลและสัตว์อื่นตลอดถึงวัตถุได้แก่ทัพพระสัมภะที่เราได้ก่อร่างสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองหรือของบุคคลผู้อื่นหรือแม้จะปรากฏการขึ้นตามหลักธรรมชาติซึ่งต้นไม้ภูเขาราธารต่างๆโดยที่เราจะสร้างขึ้นปลูกขึ้นหรือไม่ ได้แก่การเปลี่ยนเองก็ตามเราสามารถที่จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดังกล่าวนี้ด้วยตาเนื้อตาหนังซึ่งมีความรู้ประจำอยู่ในจกักษุคือตาของเราได้แต่ถ้าว่าความเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องพิสูจน์ทดสอบด้วยเครื่องภายนอก เรื่องรู้ภายนอกคือตาของเรานี้นั่นย่อมจะไม่ทันการกับความเป่นจริงกว่าเราที่จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ตัวของเราเองและสิ่งที่เราอาศัยอยู่จะเป็นสังขารชนิดใดก็าตามกว่าจะปรากฏเป็นที่เปิดเผยบอกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันสายเกิไป ไม่ทันการอย่างตาของเรานี้ว่าจะเห็นผมของเราบนที่สัของเราหงกหรือจะเห็นผมของคนอื่นงบหรือจะเห็นคนอื่นเขาแก่ชราลงไปว่าจะเห็นบ้านช่องเลื่อนชันเครื่องยนต์กลไกมันชำรุดสุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปไม่มั่นคงเหมือนเดิมมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับการเวลาหลายวัน หลายเดือนหลายปีเราจึงจะเห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงตามหลักของความเป็นจริงอันนั้นการเห็นอย่างนี้ย่อมไม่เป็นความรู้หรือความเห็นไม่ทันการกับที่เราท่านทั้งหลายต้องการอีกอย่างหนึ่งความรู้ความเห็นเป็นเรื่องของภายในได้แก่ความรู้ภายในจิตใจของเรา ความรู้ภายในจิตใจของเราก็หมายถึงสติปัญญานั่นเองที่จะพิกเครื่องสอดส่องให้เรารู้ให้เราเห็นสภาพความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในกองแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็ยากต่อการที่เราจะรู้ได้ถึงแม่สิ่งนั้น จะปรากฏการอยู่ตลอดเวลาก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ฝักใฝ่สนใจตามทาคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งวางหลักให้เราได้ศึกษาแล้วมันก็ยากที่เราจะรู้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของสังขารทุกขณะลมหายใจหรือทุกขณะจิตแต่นี่ ความเป็นจริงของสังขาร น, นั้นเต็นไปเช่นดังกล่าวแล้วนั้นแต่นี้ความรู้ที่จะทำให้เราเกิดเป็นผู้รู้ตามหลักของความเป็นจริงคือเท่าเท่าทันกับการเคลื่อนไหวของสังขาร น, นั้นก็ย่อมจะมีช่องทางให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้ได้มิใช่ว่าจะไม่มี ในศาสนานี้ท่านบอกว่ามีอยู่แต่การบุคคลผู้ใดใครก็ตามที่สามารถจะรู้เห็นการเคลื่อนไหวหรือเป็นไปของสังขารโดยเท่าทันกับความเป็นจริงทุกขณะนั้นก็ยังต้องมาชำระจิตใจของตนให้เป็นจิตใจที่สะอาดของแล้ว เสียก่อนจึงจะสามารถรู้ได้ผู้ที่รู้หลักของความเป็นจริงอันนี้นั้นในศาสนาของเราในยุคสืบมาจนถึงปัจจุบันได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พวกเราได้ทราบแม่พระนามแท่โตรของพระองค์มาแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นด้วยพระปัญญาปีชาแหลมคมหรือเฉียบแหลมของพระองค์โดยสิ้นเชิงจึงได้ทรงตรัสหรือที่แนะแนวทางแนวทางไว้แก่พวกเราทันทั้งหลายได้ศึกษาถามเรียกว่าพระพุทธศาสนาพุทธสาวกสาริ ก, กาเรียกว่าพระขีณาสพ ถ้ารหัสพระหัตทั้งหลายทั้งปวงแม้ดับขันเข้าสู่ น, นิพพานตามพระพุทรงไปแล้วไม่อาจจะนับจำนวนได้ว่ามีประมาณเท่าใดทหารทั้งหลายเหล่านั้นกระลวนแล้วแต่เป็นผู้รู้เท่าทันในกองสังขารดังที่กล่าวแล้วภายในจิตใจ อย่างแจ้งชัดโดยไม่ต้องสงสัยอย่างนี้เป็นต้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันสนใจฝักไฝ่ฝในพระพุทธศาสนาคราวคือคาสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นของการที่เสียสละเย่าเรือน ออกมาบวชในะพุทธศาสนาเป็นผู้ไม่มีเรือนนี่ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเราเป็นผู้ที่มีเจตนารมมีความปรารถนาในอันที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังนั่นหมายถึงว่าต้องการให้ดวงผู้รู้ของเรานั้น รู้ถึงสัจจคือความเป็นจริงอันปรากฏการอยู่บนกองแห่งสังขารในโลกนี้ต่อเมื่อเรารู้หลักของความเป็นจริงปรากฏจริงประจับแจ้งในจิตในใจของเราเมื่อใดเมื่อนั้นแหละใจของเราจะคลี่คลายออกจากสมุญฐานเหตุ แห่งความมัวหมองจิตกาวคือกิเลสได้เราท่านทั้งหลายก็มีศรัทธาความเชื่อโดยการอย่างนี้มีประสาทาความเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติมีศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาทานก็หมายถึงการเสียสละทรัพ ส, สมบัติแก้วแหวนเงินทองปิ่นต้น สินก็ได้แก่การสั่รวมกายสั่รวมวาจาของเราให้อยู่ในความเ ป, ป็นปกติคือไม่เกิดบาปสมาธิก็หมายถึงการอบรมฝึกฝนจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่มีความเที่ยงตรงคงที่แน่วแนว่ต่อแนวทางของการพิจารณาความชั่วเรียกว่าประหารประธานเนทียรพิจาระบาป ที่มีอยู่หรือเกิดอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เนืองเนืองนั่นห้หมดไปสิ้นไปเพียรละบาปแม่ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพียรกุศลให้เกิดขึ้นได้แก่ความดีทั้งหลายทั้งปวงเพียรรักษาคุณงามความดี และรักษาปฏิปทาในการที่จะชำระบาปให้หมดไปสิ้นไปจากกายและจิตของตนด้วยปฏิปทาอย่างไรเราก็พยายามภาพเปลี่ยนรักษาไว้อย่างนี้เป็นต้นเราก็มีความเชื่อถึงพฤติกรรมได้แก่การบำเพ็ญดังที่กล่าวโดยย่อนี้ว่าย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นเครื่องกำจัดความชั่วอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำชีวิตของเรานั่นไปสู่แดนแห่งสันติคือความสงบความระงับทั้งส่วนภายนอกทั้งส่วนภายในได้โดยลำดับ โดยสมควรแก่สมัครภาพของการประพฤติการปฏิบัติการอบรมของพวกเราทั้งส่วนภายนอกและก็ทั้งส่วนภายในอย่างนี้และเราก็มีความเลื่อมใสมีความเลื่อมใสมีความใคร่เพื่อจะยังความเจริญความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราผู้ที่มีความใคร่มีความปรารถนาะต่อความเจริญ เกิดมีขึ้นแก่ตนของตนนั้นผู้นั้นก็จะต้องพยายามน้อมจิตน้อมใจของเราให้เข้าสู่กระแสธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มันได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะผู้ที่มีความใครในธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความเจริญในสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย ได้มาเข้าได้มาศึกษาในเรื่องถึงของสังขาร น, นี้มันเป็นเรื่องเป็นลาวค่อนข้างที่จะหนักและตึงเทียรในด้านสมองคือความรู้หรือความลึกคิดของพวกเราทันทั้งหลายทั้งนี้เพราะเป็นธรรมะถึงแม้มันจะยากแต่หากว่ามันก็เป็นสิ่งที่ละเนอียดอ่อนสำหรับที่เราจะพึงรู้ได้โดยทั่วถึงแม้แต่จะเป็นสิ่งภายนอกนั้น เช่นอย่างเราก็เห็นอยู่ความเกิดเราก็เห็นความแก่เราก็เห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นในที่สุดความแตกดับทำลายไปไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องเรือนชานตึกลามเครื่องยนต์กลไกแม้ในชีวิตของมนุษย์และสัตว์ย่อมเกลื่อนกลลปรากฏทั้งในสายตาของเราคือตายเคลื่อนกลลอยู่ ในพื้นโลกหรือปัติกีนี้หรือไม่เช่นนั้นเราก็ได้ยินด้วยโสตประสาทของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แทบจะกล่าวได้ว่าตลอดเวลาแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องเตือ น, นจิตสกิดใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้ได้เกิดความสำนึกเกิดความสลดสังเวชใจเกิดความ เกิดมีสติปัญญาสว่างสวัยแจม่มแจ้งและจนเป็นเหตุให้เราต้องลีกเลี่ยงจากทางอันเป็นทางที่ผิดได้แก่บาปอันจะพึงเกิดขึ้นในส่วนกายส่วนวาจาอกุศลที่จะพึงเกิดขึ้นในทางจิตทางใจของเราได้แก่ความโลภความอยากไม่มีที่สิ้นสุดความโกรธไม่มีที่สิ้นสุดความลุ่มหลงมัวเมาไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกัน ให้บรรเทาเบาบ า, บางลงไปเพราะการเห็นเพราะการได้ยินการเปลี่ยนแปลงของสังขารความแตกดับของสังขารเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็เห็นกันมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อ่อนดมาจนถึงปัจจุบันนี้จะต่างกันมั่งอายุมากบ้างน้อยบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่จิตใจของเรานั่นก็ยังคงหมกมุ่นยังคงมัวเมาเกลื่อ เพื่อยู่กับความชั่วและเหตุแห่งความชั่วคือกิเลสน้อยใหญ่ภายในจิตใจของเรามีโลคเป็นต้นนั้นไม่มีอะไรที่จะเบาบางสร้างซาลงไปเลยแม้แต่เราที่จะอุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนาเราก็เข้ามาในศาสนามากบ้างน้อยบ้างเมื่อสรุปลงไปแล้วมันก็อย่างนั้นแหละ ยังไม่เห็นว่าจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นมรรคเป็นผลอะไรขึ้นมาแก่นตนของตนนอกจากจะธรรมดาสามัญตามหลักสมมุติและบัญญัติอย่างนั้นเท่านั้นเองนี่การที่เราได้ประสบการณ์ภายนอกอยู่อย่างนั้นภายในของเราทั้งนี้เป็นเนื่องจากว่าภายในของเรานั้นไม่ได้สนใจไม่ได้ฝักใฝ่ หรือจะมีความสนใจฝักใฝ่ในฐานนะเราเป็นพระกรรมฐานเนนกรรมฐานอุบาสกอุบาสิกากรรมฐานนั่นก็หมายถึงว่าจเจริญความดีในทางจิตใจเพื่อจะบรรเทาโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะซึ่งครอบงำจิตใจของเราให้เบาบางลงไป ด้วยการมาเจริญสมถะอุบายสงบใจมาเจริญวิ